พอทุกขเวทนาเกิดขึ้นเนยใครทุกสุขเวทนาเกิดขึ้นใครสุขเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยนี่เขาเรียกมิจฉาทิฏฐิประเภทแรกนี่เขาเรียกกลุ่มสัตตตทิฏฐิเออขอภัยนี่กลุ่มอุเฉททิฏฐิพวกนี้เห็นว่าถ้าเราถ้าตัวทุกขเวทนาดับเราดับได้ไหมดับด้วยถ้าสุขเวทนาดับเราดับได้ไมเท่าเบขาเวทนาดับเราดับได้ไหมเนี่ยมันจะเป็นยังไงวันนี้พูดใช้าดีไหม อนี่ยจริงๆจริงๆคนเราเราคิดว่าคนที่เข้าใจอย่างนี้มีอยู่ไหมเราเข้าใจแบบนี้ไหมจริงจริงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคําว่าเรานี่เป็นมิจฉาทิถีคำว่าเวทนาเนี่ยเป็นธรรมที่เกิดจากเหตุปัจจัยใช่ไหมเวทนาเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งใช่ไหมที่เกิดจากเหตุปัจจัยใช่ไหมเมื่อเหตุปัจจัยมีเวทนามีเมื่อเหตุปัจจัยดับเวทนาดับเมื่อเหตุปัจจัยเกิดเวทนาเกิด ฉะนั้นเวทนาเกิดจากเหตุปัจจัยทีนี้อะไรเป็นเหตุของเวทนาถามว่าเราเห็นว่าเวทนาเป็นทุกข์ไหมเห็นเวทนาน่าเบื่อหน่ายไหมหน่าควรจะสลัดทิ้งไหมเวทนาเนี่ยหน้าควรจะสลัดทิ้งใช่ไหมควรยึดถือไหมควรสำรอกออกไหมควรจะปล่อยวางเวทนาได้แล้วควรจะให้เวทนาเย็นไม่ให้เวทนากำเริบได้แล้วแต่เราก็วิ่งปรารถนาเวทนา ตรงนี้ถามบอกว่าถ้าเราถ้าเรารู้แล้วอย่างนี้ต้องไปไข่ครวนบ่อยๆไหมท่านถึงใช้คําว่าอนุปตัตติการตามเห็นบ่อยๆการเข้าใจบ่อยๆนั้นตรงนี้นี่แหละถึงบอกว่าเรายึดถือแรงมากแต่เราก็ไม่รู้ตัวว่าเรายึดถืออะอธมาพยามเดินเรื่องช้าๆแบบเนี้ยต้องการให้เราคิดตามทันนะไม่ใช่ต้องการที่จะอะไรนะเนี่ยต้องการให้เราคิดตามทันว่าชีวิตจริงๆเป็นอย่างนี้ไหมเราตามคิดดูทีแล้วเราจะเห็น ว่าตัวเวทนาเนี่ยมันเป็นสภาวะธรรมเป็นขันขันหนึ่งเกิดขึ้นทางทวารตาเขาเรียกจกักรปุสมัมปาสชาเวทนาเอาว่าเราเห็นมันจะได้เวทนาสามใช่ไหมไม่สุขก็ทุกข์ไม่่ทุกข์ก็เวาาีขาได้ยินก็ได้เวทนาสามกลิ่นมากระทบจมูกก็จะต้องได้เวทนาสามอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ใครจะชํานาญเวทนาไหนเนี่ยนะ ชำนาญในที่นั้นก็คือว่าคนที่มีโยนิโสมนัสิการอโยนิโสมนันสนิการเปตเตอร์อะไรเนี้ยสุขทุกเวทนานจะเวทนานั้นจะเป็นไปกะถามว่าอุเบกขาเวทนานี่ดีหรือไม่ดีถ้าอุเบกขาเวทนานี่โลภะดีไหมอุเบกขาเวทนานี่โมหะดีไห ม, มเห็นไหมเนี่ยเวทนามันมีเวทนาที่ควรเสพและเวทนาที่ควรเสพยังไงก็ไม่ดีเพราะเวทนาที่เป็นไปกะอกุศล ใช่ไหมทีนี้ถามบอกว่าเราเรียนรู้เวทนาเพื่ออะไรเพื่ออะไรแล้วเวทนามันไปเกิดในขนาดไหนฮะเวทนาเกิดในขนาดไหนโยมสุภันตะหงเวทนาเกิดตลอดเวลาไหมตลอดเวลาใช่เป็นปัจจัยของตัณหาแต่เวทนาก็เกิดจากปัจจัยเหมือนกันคือเกิดจากปัจสักปัจสาก็เป็นจะมีปัจจัยเหมือนกันคือเกิดจากอายตนะเป็นต้นเลยเนี่ยแต่ตรงนี้ท่านสอนเวทนา เพืรู้ปัจจัยของเวทนาเมื่อรอบรู้เวทนาจะได้ป้องกันเมตนาเกิดอาการละอะไลักษณะอย่างเนี้เข้าใจบริบทของเวทนาให้ชัดอย่างเนี้จะได้กันไม่ให้ตัณหาเกิดหลังจากเวทนาดับไปแล้วรหรือเมื่อเวทนาที่เป็นไปกับตัณหาเป็นไปอยู่เวทนาที่เป็นไปกับโทสะเป็นไปอยู่ใช่ไหมตรงนั้นต้องน้อมที่จะละเหมือนเรานั่งกันอยู่อย่างนี้ะในขณะที่อกุศลเกิดเวทนาเกิดมันบางทีเรานั่งนั่งเนี่ยมัน มันมันง่วงอะไม่ใช่ที่มันง่วงเนี่นะสามารถใ น, นในที่ง่วงขนาดนั้นเพราะอะไรครับทำไมถึงง่วง <c oughs> ทําไมจึงง่วงเขาเรียกวคนคนปะคนไม่มีความเพียรไม่มีความเพียรคนย่อหย่อนคืออย่างงี้นะว่าคําคําอย่างนี้นะคําว่า อารพธาตุก็ไม่มีนิกรมามธาตุท่านนิกรรมาธาตุเนี่ยกล้าก้าออกอย่างโกสัจฉะโกสัจฉะคือความเกียดค้านทั้งหลายเนี่ยนะความเกียจค้านหรือความที่จิตท้อถอยทั้งหลายกลุ่มอกุศลทั้งหลายจะเริ่มความเกียจค้าปรักรมามธาตุก็คือเพียนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปหรือคําอีกคำหนึ่งที่ท่านใช้คาว่าทีตีเนี่ยทีตีเนี่ย ก็หมายความว่าเพียนขนาดที่บอกว่าทําขันถ้สันดาณของตนเองให้เป็นไปกับกุศลคืออย่างต่อเนื่องคือเมื่อชาวนะจิตเกิดเมื่อไหร่กุศลก็เกิดทุกครั้งไม่ยอมปล่อยให้ชาวนะนั้นเป็นไปกับบาปเลยนี่เขาเรียกเพียนเขาเรียกว่าเพียรชอบก็คือลองระวังไม่ว่าแต่ถ้าขึ้นชาวนะเมื่อไหร่จะต้องเป็นไปกับกุศลเท่านั้น จะเพียรรักษากุศล น, นั้นประคับประคองกุศล น, นั้นให้เกิดขึ้นอย่างต่อจากไม่ยอมจิตให้เย็ดเสียหายเลยถ้าบอกว่าเนื้อเลือดจนเหือดแห้งหายไปเจอจะเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีจากประคับประ ค, คองกุศลว่าจากไม่ยอมไม่เสียหายกุศลอย่างเด็ดขาดถ้าเสียหายกุศลตายดีกว่านี่ไงเพื่อเพียร เป็นนอนก็ได้เย้าสุวรรณหงษจะนอนก็ได้แต่ให้ไม่ใช่นอน<ช>ด้วยจิตที่เป็นบาป ใ, ให้กุศลเดินทำได้ไหมที่แค่แคอย่างนี้ไม่ง่วงเนี่ยเป็นบาปก็ได้เขาให้ดูว่าชาวนานะน่ะเป็นไปกับกุศลไหมจิตเนี่ยเป็นกุศลไหมใช่ไหมโอ้โหคนคิดบาปคิดได้ทั้งคืนจิตตื่นเต้นทั้งคืนเลยเช่นว่าเราจะต้องไปเซ็นสัญญาเราจะได้เงินสักหกสิบล้านเนี่ยตื่นเต้นนอนหลับไหม นอนไม่หลับหรอกมันไม่จะเจริญกุศลแนะ่ๆบาปเกิดตลอดแล้วโลภะโมหะมังทีเกิดโอ้ยมีใครมาตัดหน้าเราโทรศัก็เกิดจิ้มอยู่นี่นแหละฉันจะึงบอกว่าที่เตียเพียนรักษาทำขันทันดางของตอนเองนั้นให้เป็นไปกับกุศลอย่างดอ น, นไม่ยอมไม่เสียหายเลยพอลงพอวางปุ๊บขึ้นชาวนาเมื่อไรก็เป็นกุศลทุกครั้ง ขึ้นชาวน้ําื่อไหรเป็นกุศลทุกครั้งขึ้นชาวน้เาื่อไหรเป็นกุศลทุกครั้งยอมจะไปนั่งก็ได้เป็นนอนก็ได้ไปยืนก็ได้อย่างนี้เขาเรียกเพียนนี่เหตุปัจจัยวยซ้อย่างสมมติคะอย่างอย่างตัวอย่างนะคะารย์เพิ่มมมติว่าเราเนี่แรู้ว่าเออถ้าเราไปดูอย่างอย่างเมื่อคืนนะถ้าเราไปดูั่นแหละพวกสีแดงทั้งคืนหนึ่งเนี่ยนะทำให้ให้เหตุปัจจัยที่เรา อันนี้มาฟังกันงงแล้วว่าี่ไม่มีเหตุนะคะแต่ที่นี่ตอกการที่เราเพียนจะษาปฏิบัติสิ่งทีแล้วถ้าไปนจะไหตรงนั้นใช่ไหมไม่ไม่ใม่ใช่ใม่ใช่ไใม่ใไม่ใช่ไ่ใช่ไม่ใชตไม่ใช่ไม่ใช่ม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมไม่ใช่ไมวใชไม่่ม่่ไม พ่อเจ้าบอกว่าอะไรไม่ครบอะไรปัณฑิตตานันจะเสียวนานนี่ตอนนี้เราไปคบกับใครเราเลยไปชอบใจพฤติกรรมของเห็นไหมเราก็เสียหายอยู่คนพานมีปกติพูดชั่วมีปกติคิดชั่วมีปกติทําชั่วงั้นก็อย่างเนี้คนพานก็จะเป็นไปอย่างนี้ใครก็แล้วแต่เราไม่ต้องอย่าไปวอกกระสี ไม่ใช่ไมสนใจเพียงแต่ ว, ว่าเราเราถ้าเราไปเสพแบบนี้ก็เรียกว่าเมื่อไปเสพอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นเวทนาที่อาศัยเรือนพุทธาบอกไม่ควรเสพคำว่าไม่ควรเสพเนี่ยไม่ใช่ไม่ควรรู้นะแต่รู้แล้วให้ใจเป็นไปกับกุศลให้เห็นโทษของกายยะทุจริตให้เห็นโทษของวจีทุจริต ถ้าเห็นโทษสองมโนทุจริตฟังแค่แป๊บเดียวก็เข้าใจแล้วไม่ต้องเป็นฟังทั้งค <other> ืนถ no <im> you know ้า okay, ฟ like <agreed> <ki> ังทั้งคืนเนี่ยแปลว่าเราเราพลาดแล้วที่นี่มันจะทวนกะแสท่านหลวงบอกว่อย่าดูเฉยติดตามให้ติดตามข่ะว่าเหตุการณ์บ้นเอเกิดอะไรไม่ใช่ท่า่ว่อย่าไปสนใจไม่ใช่มันมันไม่ใช่ยอมสุพรรณหงเข้าใจผิดแล้ว คำว่าเข้าใจผิดเนี่ยมาใช้คำว่าคําว่าไม่ควรเสพ เ, เหมือนถ้าพูดถึงเด็กทุกวันเนี่ยดูโทรทัศน์ดูเพื่อเสพกับดูเพื่อศึกษาต่างกันนะคนละมุมเลยใช่ไหมนิยอมเสพได้ตัณหามาหน้าทิฏฐิเมื่อเสพได้ตัณหามาแล้วทิฏฐิจิตไม่แข็งแรงพอไม่ควรเสพอย่าเสพก่อนขัดเกลาตัวเองให้เป็นก่อน ใช่ไมถามปัญหาคือว่าไปก่พนีจะเกิดอะไรขึ้นนี่ปัญหาจะเล่าให้ฟังเรื่องบ้านเมืองจะได้เข้าใจชัดเลยว่าจริงๆคืออะไรถามว่าในสังสารวัตเนี่ยสิ่งที่น่าห่วงไม่ใช่บ้า น, นใช่ไหม สิ่งที่น่าห่วงที่สุดก็คือว่าที่ไหนคือปฏิรูปประเทศที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเราอย่าไปยึดติดที่นี่ถ้าพระธรรมของพระพุทธเจ้าไหลไปอยู่ณนะที่ไหนเราควรไปที่นั่นอย่าไปติดที่ถ้าติดที่แล้วบางทีที่ตรงนี้มันเป็นนรกมันไปอยู่ได้ยังไงการห่วงอ่ะ ในเนี่ยที่พระพุทธเจ้ากล่าวในส ก, กาปัญหาสูตรเนี่ยคนที่มีมัจฉริยะก็คือคนห่งหวงห่วงห่วงกับห่วงเนี่ยมันเดียวกันนั่นแหละก็คือยึดติดตายไปแล้วไปเป็นเปรตเพราะเป็นเปรตก็มาเฝ้าออกก็ออกไม่ได้เพราะกรรมยึดติดพอคนที่เอาของสมบัติที่เราห่วงเอาไปใช้ ก็ทุกร้องกระวนกระวายอาเจียนออกมาเป็นโลหิตบางครั้งก็ถ่ายออกมาเป็นเลือดบางคราก็ต้องดิ้นจนไส้ขาดหรือเปรตบางพวกก็ต้องแบกหรือว่าถุกชิ้นนั้นที่สำคัญกาเป็นสมบัติของตนเอาทูลศีสาไว้วิ่งไปร้องหนักไปดูสิในอัตถกถาในพระตรบิดก นี่ไงโทษของคําว่าเป็นห่วงมัชริยะเนี่ยละได้โดยโสดาบดิมักฉะนั้นนี่แสดงวิปัสสนาเราตกไม่เข้าสู่กระแสขันสังสารวัฏนี่มันเรื่องเกา่ามันเป็นบทเล็กๆ เ, เท่านั้นเองเราเกิดมาในโลกใบนี้เราก็รู้แรงกว่านี้เป็นเยอะเราก็ผ่านมามั่นไม่มีอะไรมหาก แต่ที่มันมีมากเพราะบาปมันเกิดในใจเราเนี่ยเราไปสร้างกรรมที่ไม่เหมาะสมไว้แล้วถามว่าถ้าตายไปแล้วเนี่ยเราห่วงห่วงเรากลับมาเกิดเป็นเปต แ, แล้วมันนั่งเป้าบ้านเมืองเนี่ยเอาไห ม, ไมนั่นแนหะปฏิปทาที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นพระเจ้าท่งบอกว่าเท้าเธอถอนเลยให้เจริญวิปัสนาให้ยาควห็นไหมพระเจ้าว่าเออบอกว่า สมนัตไม่ควรเสพโทมนัตินี่เยอะไม่ควรเสพเพราะโทมนัตของเท้าเธอเนี่ยปหัวงสมบัติอ้ามาก็เล่าไปฟังแล้วไงว่าธรรมสถานเทวสถานสวนนิสสกาวันสวนปารุสสกวันสวนจิตรดาปราศาสนันทวันฮะทำไมต้องเล่าตรงนะี้จำไหมถึงบอกว่า เหมือนเมื่อเมื่อวานเนี้ยที่มาก็นั่งรถมายอมที่เขาที่กรุงเทพว่าขับรถมาที่มาส่งเพราะไปบรรยายวันเสาร์แล้วก็ต้องกลับมาบรรยายที่เนี่ยก็เลยต้องมาเนี้ ย, น, ยนะฮก็นั่งรถมาเขาเปิดวิทยุเขาบอกว่า อ, อคําว่าอันนี้จังเมื่อพูดแล้วน่าคิดเขาไม่รู้ทํามาแต่เขาพูดหน้าคิดอันนี้จังเขาบอกว่า คำว่าพรุ่งนี้กับคำว่าชาติหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรมันจะมาก่อนกันเข้าใจไหมเนี่ยเรานั้งแต่เออฟังเริ่มชัดเน่ะทั้งคำว่าพรุ่งนี้เนี่ยกับคำว่าชาติหน้าเนี่ยไม่รู้อะไรจะมาถึงก่อนกันเลยแต่ละขันที่เรานั่งนั่งกันอยู่เข้าใจไหมโยมเนาะใช่ไหมเนี่ยเรานั่งกันอยู่เนี่ย ก็ ถ, ถึงบอกว่าไงเอางี้อามาถามเนอะ ย, ยใช่ไหมถึงบอกไงบอกว่าพรุ่งนี้เนะี่ยคิดว่าจะมีไห ม, า ม, มอาจจะอาจจะชาติหน้าก็ได้ใช่ไห ม, มอาจจะได้ชาติหน้าก่อนถึงวันพรุ่งนี้ก็ได้แล้วเรายังมาห่วงอะไรเนี่ยห่วงอะไรถ้ า, ร า, ากุศลติดหายไปจากจิตน่ะ น, น่าห่วงไหเพราะเราไปเสพอะไรเนี่ย เสพเวทนาที่ไม่ควรเสพอะไปให้เวทนาที่เป็นไปกับโลภะให้เวทนาที่เป็นไปกับโทสะห่วงน่ะคือเวทนาที่เป็นไปกับโลภะกับโทสะเนี่ยมันไม่ควรเสพแต่ถ้าเวทนาถ้าดูแล้วเวทนาที่มันเป็นไปกับกุศลได้ดูทั้งคืนดูไปแล้วทำได้ไหมล่ะอย่างนั้นควรเสพดูแล้วก็เห็นโทษโอ้ยบาปทุจริตนี่เจ้าบอกว่อย่าให้เกิดในใจเขาไปเจ้าเลย แ้ยิ่งดูยิ่งเบื่อหนายยิ่งคลายกำหนัดยิ่งใจออกคิดถึงพระพุทธเจ้าน้อมเจริญพระคุณน้ำตาไหลเลยนะดูเลยถ้าอย่างนั้นดูเถอะเสพไปเหอะแสดงเวทนาเนะีมันชัดมันควรเสพก็อย่าไปทักเออต่อไปให่ดูเป็น มันต้องอยู่ว่าเมื่อไปอยู่ที่ตรงนั้นแล้วมันเจริญกุศลได้ไหมแล้วมันอยู่ได้จริงมันอยู่จริงหรือเปล่าต้องไปดูด้วยเ้าต้องคิปัญหาอันนั้นมันแค่เราดูด้วยตาเราไงแต่เราต้องไปดูว่าศสิขาเดินในใจเขาจริงไหมทําไมถึงออกมาชุมนุมกันเป็นหมื่น แล้วไปเผามาัสยิดของคนอื่นถ้าคนมีสุจริตสามพาะอยกล้าทำอย่างนะั้นในคอภัเนี่ยไอ้ให้คิดให้คิดเพระาะ เ, เข้าใจไ ง, งดด ก, ก็เข้าใจตรงนั้นส่วนหนึ่งก็ดีแต่ส่วนหนึ่งก็พลาดเข้าใจใช่ไหมว่ามันคำว่าปฏิรูปประเทศเนี่ยประเทศที่มีคำสอน ประเทศไทยก็มีคำสอนแต่คนที่เข้าถึงคำสอนมันอีกคนอีกมุมหนึ่งเนอะเขาใจะยังบางทีเนี่ยต่อให้ทรงพระไตรปิฎกเนี่ยแต่ถ้าทรงพระไตรปิฎกเป็นผู้นําม็อบเนี่ยเราว่าใช่ไหมก็ตรงนั้นไงถึงบอกเราต้องไปอยู่ แล้วก็เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปเปรียบเทียบให้ชัดว่าท่านผู้นั้นเดินตามคำสอนได้จริงหรือเมืมีคำสอนแล้วมีสอมมาทิฏฐิบุคคลอยู่เป็นส่วนมากที่ตรงนั้นเนี่ยปฏิรูปประเทศมีบัณฑิตอยู่บัณฑิตไม่ใช่บัณฑิตที่ว่ามานั่นแต่บัณฑิตก็คือว่าท่านผู้เดินตามล่องรอยของคำสอนได้ชัดเข้าใจใไหมที่มันก็ปนปนกันอยู่นะ ในยุคนี้นะมนุษย์โลกเนี่ยนะเป็นพบที่ไม่น่าอยู่แล้วท่านทั้งหลายเลิกฝันได้ละยำมาเรา <c oughs> เราไปห่วงอะไร <c oughs> มันมายากแล้ว โอกาสจะมาก็ยากใช่ไหมถึงมาแล้วก็ไม่รู้จะไปศึกษาปทํารรมในที่ไหนแล้วเน้อถามว่าจริงๆแล้ววันวันหนึ่งเนี่ยเรากระตือรือลดหรือเปล่าเนี่ยยอมมงคลกระตือรือลดมั้ยถ้าคิดเป็นเนี่ยนะอามาก็ขอเล่าเรื่องท้ามันนะที่พระท่านมาอยู่ด้วยท่านบพงจบปีนี้ท่านศึกษาที่จบ คือท่านก็คือปฏิบัติท่านเป็นอาจารย์สอนกรรมาฐานก็เปิดเผยท่านได้ว่าท่านก็เดี๋ยวนี้ท่านานเปิดตัวแล้วท่านสอนกรรมาฐานแนวนามรูกมาแปดปีรูกยืนเดินนั่งนอนแปดปีท่านก็จบอภิธรรมมาจบพทเก้าจบพุ่งจบวิสต์ต่อมาก็ที่ว่านิยมเขานิมนต์ไปตามอาตมาไปที่ ทีทีอิเดียก็ไปคุยที่แรกันจารย์มาก็มยาย้า้ฟังแบบเนี้ยแบบมยาย้ายพวกเราฟังเนี้ยที่แรกอะไรมาก็ไม่ค่อยเข้าใจอะไรเนี้ยหมายไม่ไม่รู้ว่าท่านคิดยังไงใช่ไหมเพราท่านไปกันสามลูกตอนนั้นเบสเร็จท่านเพิ่งมาเล่าให้ฟังนี่พอต่อมาก็ ม, ามันมืองที่โยมก็ให้ท่านจะไปเป็นอาจารย์ใหญ่สอนบาลีโดยสอนปฏิบัติด้วยที่อุไทย์โยมก็ บอกว่าให้มาหาอ า, อ, อามายอมว่ารถมาส่งมานั่งคุยกันก็สนทนามาก็ชี้เหตุผลในฟังที่แรกตอนอยู่ที่อินเดียมาอธิบายแบบข้อมูลโป๊๊บโ ป, ป, ป, ป, ป๊ไปเรื่องเนีมาเนี่ยม า, มาก็ชี้แล้วก็นั่นะต่อมาก็มาพักอยู่ก็ชี้ไปเนี้นี่อามาก็ให้แนะวิธีการปฏิบัติให้เจริญพุทธคุณ จเจริญพุทธคุณแล้วก็สลับกับเจริญสริปัฏฐานยังไงเข้าใจใไม่มพอพุทธคุณพอเกิดปราโมทปีติภระสิทธิเบสเสร็จก็มาจเจริญสริปัฏฐานคำสอนพระเจ้านี่นะท่านไปที่ต้นโพที่ไอหมามาปุให้ให้โยมมาปุกท่านก็เดินคือธรรมะปรากฏในใจท่านชัดท่านบอกว่าพอปรากฏปุบขึ้นมา ความผ่องใสปลาโมดมันเกิดมนะันเกิดมาวุฒิมันเห็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วความชัดเจนความกรณีที่เข้าไปพิจารณาเข้าไปวิจัยอะไรต่างๆ่เหล่านีนน้มันชัดขึ้นทั้งคืนท่านเข้าใจแล้วคําว่าเสมอเหมือนหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับตรงหน้าเป็นยังไงนะทุกวนันนี้ท่านยังมีความรู้สึกว่าถ้าจะนอนเนี่ยท่านเสียใจ เสียดายมากถ้าจะปล่อยปล่อยให้ใหชีวิตทุก ต, ตนเองต้องร่วงเลยไปโดยการที่ไม่มนติการคําสอนของพระเจ้าเสียดายมากกลัวมันจะตายก่อนที่จะไม่ทันได้พิจารณาเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเห็น ไ, ไหมท่านจักไม่คืนหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยถ้าพักอย่างมากก็ไม่เกินสามคืนแค่นั้นท่านยังบอกโฮฮกอ้ยมากไปแล้ว ท่านก็มาเล่าไอ้บางมาตอนอยู่ที่อินเดียท่านก็ไปนั่งคุยกันท่านก็มาตําหนียอะไรมาสงสัยพระโลกนี่คงไม่ค่อยรู้อะไรคงปฏิบัติมันน้อยอย่างนี้ท่านเข้าใจแล้วท่านต้องมาถอนไอ้วิธีที่สอนไว้ตอนนี้ถอนอ่นี้ยังต้องไปเอาแม่มาแม่ยังไปอยู่ที่สํานักนั้นอยู่เอาแม่ไปไว้สามปีแล้วเขาบอจะต้องลากแม่ออกมา เข้าใจนะมนั่นในเรื่องเรื่องของความเข้าใจในคำสอ น, นถ้าเราไม่ศึกษ า, กาพระไตรปิฎกให้ชัดนยหรือว่าอาศัยที่เอาไปไขคขัขวให้ชัดเลยเหมือนอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยมาเข้าใจน้องมองหน้าเนี่ย ก็ os, ฟังน้อยเป็นฟังร้อยฟังน้อยฟัง้อยตอมเป็นฟังน้อยก็คือมาแลติการไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องมาถกกันเนาะ um. ยอมขาดการสุดนานๆเวลาอาจารย์ย้กรางเวลาเรางรู้สึกเราเข้าไปสู่การกคือคือ<ๆ>ตรงนี <kidding. S 2> งน้เวลามันเข้าใจไปเสร็จแล้วแต่นี่เวลาเราไปตอบมันไม่ต่อเนื่องมันนม่มัใช่ไหมไม่ต่อเนื่องมันหยุดขาดตอนี้นานเลยอะ จรหลังจกการสอนแล้วเนี่ยมันต้องมุสู่การปฏิบัติต่อเรื่องเลยหรือเปล่าก็ขาดก็เราไปแล้วเนี่ยเราไปเรื่องของเราใหม่เนี่ยขาดก็ต้องเอาพิจารณาอย่างเรื่อยๆตรงนี้ขาดเงี้ยคำว่าอนุบาติอนุปัสนาเนืองๆนี่นะเราพอหลังจากหยุดปุ๊บใดเนี่ยเราก็ไปเรื่องอื่นหมดเลยแล้องคิดดูทีันเป็นไปได้ไหมที่การปฏิบัติของเราเนี่ยมันไม่ถูกที่ตรงที่ว่า มันไม่ตอ น, นื่คือคือมันขาดเน่ยเหมือนเราไปศึกษาแบสื่อสารเนี่ยฟังแล้วหมดเข้าใจแต่ลงสู่การปฏิบัติเนี่ยมันเข้าไม่ถึงเพราะว่ามันเป็นได้ไหมว่าเราไม่มได้จบจากการสอนของของาจารย์มันนา่าจะได้เข้าปฏิบัติเ่าคือจริ ง, รงๆยาวเลยที่จริงการการที่เราฟังเนี่ย อ, อารมณ์แห่งความเข้าใจเนี่ยมันต้องรักษาไว้แล้วก็มานัิการต่อ ตลอดต่อเนื่องเมื่อเกิดไม่เข้าใจขึ้นมาก็ต้องรีบสอบถามแล้วกรรมนักสิการต่อโดยไม่ประมาทชีวิตเป็นแบบนี้ไหมคือออกจากล่องรอยของกรรมฐานหลักก็สู่กรรมฐานรองในในชั้นของดีกาท่านจะบอกไว้เลยว่าเราจะเดินจะอยู่กับพุทธคุณจะอยู่กับมรณาสติจะอยู่กับเมตตาหรือจะอยู่กับอสุภะภาวนา เห็นไหมก็แปลก็จะมีกรรมฐานรองรับไว้เลยก็แปลว่าอะไรคตตปัจจาคติกวัตเนี่ยวัตที่อยู่กับกรรมฐานตลอดใจมันผูกอยู่กับกรรมฐานตลอดทีนี้ในขณะที่เราฟังว่าทำเนี่ยแปลว่าใจมันเป็นไปกับคําสอนอยู่แล้วเหมือน ก, ก็คือกรรมฐานสมมุตินะถ้าธรรมาจักมาเจริญกรรมฐานโดยเฉพาะมาแสดงธรรม ออกจากการแสดงธรรมแล้วไม่มันน้อมพัดกรรมฐานให้เดินเสียเลยแล้วชีวิตขเขาอธรรมาทุกวันเนี่ยก็ต้องมาเกี่ยวข้องกับคนนเยอะเดี๋ยวนี้ไปก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับพระมาก็ต้องมาเกี่ยวข้องกับโยมในฐานะมะกล่าพะธรรมาเดินทางไปตามทางอมาปล่อยใจทิ้งไปเลยไม่ไม่อยู่กรรมฐานอนมาจะพ้นี่เสียหายเองเขาจะมาไม่ทำหรทกนี่มันฆ่าตัวเองทำทำไมเล่า ใจมากันจะตองผูกไว้กับกรรมฐานกับคําสอนตลอดแต่จะมาจะเอากรรมฐานอะไรเป็นบันไดรองรับมันมาก็จะดูสถานการณ์เหมือนเง<ม>ี้ยยอมสวานเถวงเวลาขึ้นบ้านก็ต้องเข้ามาก็เข้าไปที่ครัวไปทําอาหารก็จะต้องทําอีกอย่างหนึ่งออกจากครัวเข้ามาที่ห้องพระก็ต้องมาทํากิจอีกอย่างหนึ่งออกจากห้องครัวเข้าห้องน้ําก็ต้องไปทํากิจอีกอย่างหนึ่ง จากห้องเท้าออกมาไปเสร็จมานั่งห้องรับแขกก็ทํากิจอีกอย่างหนึ่งจากห้องรับแขกเข้าสู่ห้องนอนก็ทํากิจอีกอย่างหนึ่งออกจากห้องนอนมานั่งบนรถก็อีกอย่างหนึ่งทําไมสถานที่รองรับมันต่างกันงั้นกรรมฐานที่พระุทธเจ้าวางไว้มากมายนั้นเพื่อเป็นที่รองรับอย่างนี้โดดออกจากกรรมฐานหลักก็เข้าสู่กรรมฐานรองและใจจะต้องเป็นไปกับคําสอนตลอดทุกเรื่องถ้าเกี่ยวข้องกับคนเป็นไปกับเมตตาได้ไหม อาจเป็นไปกับการุณาเป็นต้นได้ไหมหรือเป็นไปกับในเรื่องของมรณสติได้ไหมก็ได้ใช่ไหมมนแล้วแต่ว่าเราโดดจากกรรมฐานนี้เข้าสู่กรรมฐานไหนมันเหมือนรถเน่นนะเอารถลงน้ำขึ้นเรือไปบนบกทางเรียบก็นั่งรถธรรมดาขึ้นเขารถอีกอย่างหนึ่งทำไมต้องเปลี่ยนผ้านนะเข้าใจไหมอย่าไปดักโดยเฉอาไปไม่ดักดกัอย่าไปอยู่กับกรรมฐานเดียว ซึ่งมันไม่มีคําสอนในพระไตรปิฎกบอกไว้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเราอย่างนั้นยังเเวชาตัวเดียวอย่างแราๆรู้สึกเราต้องเป็นใจอยู่กับรูป ท, ท, ท, ท, ทุกอย่างเลยก็ปัญหาว่าเด่นขึ้นมาไหมเอะมันปัญหาว่าถ้าเราวิจัยอะไรฉับใช่ไหมอันนั้นก็เหมาะแก่ อ, อริยตอริย า, ายาใสนพอพอพูดอย่างเงี้ยแล้วเราจะได้รู้ เราไม่อย่างนั้นเลยชีวิตเราเนี่ยพอหยุดฟังธรรมเอาคพวกอันมาหยุดแป๊บเดียวเนี่ยเราก็ปล่อยความง่วงแทกปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บใช่ไหมเราไม่เคยเราทิ้งกรรมาฐานตลอด oh. ก็คือเราทิ้งพระพุทธเจ้าเราละเว้นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าละเว้นพวกเราเนี่ยถ้าแบบนี้จะทําทแบบนี้เราจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าแล้วเพราะเราไปทิ้งท่านเอง เราหันหลังให้ท่านเนี่ยแล้วท่านจะสอนเราไหมสอนไหมไม่สอนหรอกเราต้องหันหน้าแล้วน้อมเข้าหาท่านถ้าสมมติว่าเรารนในอตลักษณะของแต่ละองค์ๆศึกษาๆเป็นานันละคือปฏิบัติกำลังเดินอยู่ใช่ปัญหาอยู่ว่าดูด้วยจิตที่ไปตรึกเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศล เพราะเราชำนาญมากนะยอมน้องเรียนมาผิดเยอะเรียนมาด้วยอกุศลเยอะใช่ไหมตรงนั้นเนี่ยมันจะมาล่องเดิมเนี่ยมันชัดไงปิดล่องเดิมซะแล้วก็ไขควนไ่ ค, ควนดะ้วยอย่าเน้นแค่ความแค่อยากจะเข้าใจอย่างเดียวเน้นว่าจิตที่คิดเนะี่ยตัวนั้นเนะี่ยมันคิดถูกไหมมันเป็นไปกับกุศลไหมฝึกใหม่ๆมันก็เหมือนกับฝึกใหม่หมดเลยก็ยังว่าเหมือนล้างกระดานมาเลยของเก่าที่มันใช้ไม่ได้ะลบทิ้งไปอย่ามาใช้ ้ปฏิบัติไปขนาดฟังธรรมมาขนาดนี้แลปาโมดปีตีบปสดสิบไม่เคยเกิดเลยเนี่ยมันยุ่ง ม, มั้นกันนมันอะไรเกิดขึ้นในใจเราเลยตอนี้ที่าอาจารย์นะอย่างสมมติว่ า, าว่ากรรมฐานเนี่ยนะคะกรรมฐานเนี่ยสมมติว่าเราศึกษาเนี่ยสมมติเราศึกษาเวทนาพอศึกษาเวทนาเนี่ยมมต อ, น, ยอยนี้ขณะที่เราขณะที่เราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ย ไอตัวผัสสะที่มันมากระทบเวทนาแต่ละอย่างแต่ละอย่างวันนมทั้งหลายอย่างกระทบกันไหนไหนยืดได้หมดตรงนี้ถือว่าเป็นธรรมฐานฐาน้าเราตามตัวนี้แค่มาพิจารณาือปัญหาตรงนี้มันต้องเข้าใจว่าคําว่ากระทบในที่นั้นเป็นชื่อของจากขุป า, ารูปารมณจากขูวิญ ญ, ญาณสามตัวนี่ประชุมกันอันนี้พอเข้าใจพอประชุมกันอย่างนี้เรียกว่าผัสสะทําตาเวทนาก็เกิดถ้าเข้าใจอย่างนี้เบ็ดเสร็จก็คือรอบรู้อะไรรอบรู้ผัสสะ รอบรู้อะไรเวทน า, าไอตัวเวทนานี่เขาเรียกเป็นทุกขสัตว์เนาะถามว่าทุกขสัต์คือเวทนาเนี่ยสุขเวทนาทุกขเวทนาที่เกิดขึ้ น, นสังเกต ด, ดูทีว่า <c oughs> ตัวเวทนาที่มันเกิดขึ้นทางตาเนี่ยเวทนาที่เกิดขึ้นทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยท่านสอนเรื่องเวทนาที่เป็นวิบากเวทนาที่เป็นผล ไอเวทนาที่เป็นผลเนี่ยเป็นผลของกรรมในอดีตเป็นผลของกุศลกรรมและอกุศลกรรมทีนี้เวทนาที่เป็นผลของกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่เป็นเหตุให้เราต้องเห็นได้ยินเป็นต้นเหล่าเนี้ยเมื่อเห็นสิ่งที่ดีใช่ไหมทำไมท่านสอนเนี่รอบรู้เวทนารอบรู้เห็นเวทนานี่เป็นที่ตั้งของเป็นตัวทุก์อเวทนาเป็นตัวทุก เมื่อเวทนาเกิดใช่ไหมเวทนาเกิดชื่อว่าทุกเกิดเวทนาดับมีชื่อว่าทุกดับใช่ไหมให้เห็นสุขเวทนาด้วยความเป็นทุกข์นั้นเวลาสุขเวทนาไปเสร็จแล้วท่านได้เห็นด้วยความเป็นทุกข์ทำเห็นสุขเวทนาด้วยความเป็นทุกข์เนี่ยเราลืมทันดีเลยเวลาสุขเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่เคยมานัศการว่าทุกเกิดแล้ว ทุกครั้งมนน่าสัการแบบนี้ไหมพอไม่มน่าสิการอย่างนี้มันจะตามมาด้วยตัณหาดังนั้นพอสุขเวทนาเกิดขึ้นให้คิดตลอดเอาคําสอนพระเจ้าเหมือนพระเจ้าบอกทุกครั้งเลยว่าทุกเวทนาให้เห็นสุขเวทนาด้วยความเป็นทุกข์ความทุกข์ย่างลงแล้วความทุกข์เกิดขึ้นแล้วความทุกข์เป็นไปในเบื้องหน้าแล้วทําช่ไหนเราจะรอบรู้ทุกเหล่านี้ได้ เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเกิดมาเบษษียเบียนรัตันหาตามตัณหาเกิดขึ้นในกระแสขันตัณหาสร้างอะไรต่อสร้างทุกข์สร้างเวทนาเป็นต้นใน อ, อ, อนาคตต่อไปเห็นไหมก็เพราะตัณหาเนี่ยมันเข้ามาสู่กระแสขันเรามันก็เลยเป็นปัจจัยเกิดเวทนาต่อไปนี่ปัญหาว่าสุขเวนเขนเนทเวนาเกิดขึ้นเราเพลินทุกขเวทนาเกิดขึ้นเราโกรธล้วได้อะไรอะ่ะ ได้ตัณหาก็ได้โทสะเวขาเวทนาเกิดขึ้นกันหลงเห็นหมราคานูสยัยปฏิคานูสยัยแล้วก็อวิชานุสใสก็นอนตามเวทนาอยู่ตลอดเวลานี้ไม่เคยละตัณหาได้เลยไม่เคยละมานะที่ถี่เป็นต้นได้เลยเข้าใจยัง <Okay. S 1> เห็นไหมการไม่รอบรู้เวทนาการจะรอบรู้เวทนาไม่ใช่เป็นร้อยมันเกิดเนี่ยมันไปเข้าใจแบบนี้ท่านให้มาวิจัยก่อน เนี่ยศึกษาตรงนี้กําลังวิจัยกันทำความเข้าใจมาวิจัยมารอบรู้ให้มันชัดเอางี้โยมสุภัสสนะผมเนี่ยไม่เคยเรียนหนังสือมาเลยเนี่ยอมายนต์ำรายไปเอาช่วยเขียนหนังสือเขียนได้ไหมต้องเรียนไหมต้องใช้เวลาเยอะไหมะตรงนี้ต้องให้รู้จากเวทนาให้ชัดรอบรู้เหตุเวทนาให้ชัดรู้รอบรู้ปัจจัยของเวทนาด้วยรอบรู้เวทนาไม่เที่ยงยังไงเป็นทุกขเวท น, นาตายยังไงเป็นต้นด้วย แล้วเวทนาหน้าเบื่อหนายหน้าคายกําหนดอย่างไงเป็นต้นดว ย, ดวยแล้วต่อไปก็แปลเวทนาเกิดแล้วอ่านเวทนาออกต้า น, นี้อ่านเวทนาไม่ค่อยออกเคยใพิ จ, จนารณาอย่างนี้ฮะประการเ อ, อขณะที่เราศึกษาพอกันใจแล้วเนี้นะฮะเพราะว่าคําว่า ไม่ไม่พ อ, ไ ม, อพไม่พอททท่ที่ขาดที่ติ่ถามอาจารย์ว่าตรงนี้เนี่ยขณาที่เราไม่ได้เป็นรูปแบบเข้าระนากรรมฐานเป็นทางการอย่างเงี้ยเราทางาน่เนี่ยแต่เรามีรอบรู้พอเล็กๆน้อยอย่างเงี้ยน้อยมากเอาสรเอาศึกษา้เยอะอนี้ใ <ười> แต่หมายถึงว่าเพียงรู้แค่นี้หมยมว่ามันใช่ใช่กรรมฐานหรือเปล่ามยคือถ้าถามว่ารู้อย่างนี้ใช่กรรมฐานไหมเป็นกรรมฐาน ท, ที่่ที่เบามาก อ่อนมากๆคะแลเนี่ยทุกคนเคยคิดว่าเอ๊ะพอพอตัวนี้มันเกิดปุ๊บเราก็ดีใจแป๊บเดียวดีลยวก็มีอะไรเข้ามาแทรกอีกแล้วก็เกิดเกิดเกิดไอ้ไอ่ไอ้ไอ้ตัวศในคำ่าศูนย์อะมันไม่มีจริงๆเห็นเห็นแล้วใช่แล้วไอ้พวกมันก็ฆ่ามาอีกแล้วทนี้มันก็คือถึงว่าอย่างอย่างที่อาจารย์อ่อมมาสอนว่าภาษะเป็นาที่มันเกิดเกิดตั้ตาหูจมูกจีนกระจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้พอกระจายแล้วว่า ก็มันเกิดขึ้นมาพุ๊บเนี่ยนะเราเราก็รู้ว่ามันไอตัวกษัตริย์ตัวเนี้มันทําให้เราเห็นดีไม่ดีแล้วก็เข้าไปทุกจุดอะไรเนี่ยทีนี้พอเมื่อกี้ที่การเรียนตามอาจารย์ว่าถ้าเราไม่ได้เข้ามากรรมฐานในรูปแบบไปนั่งเข้าสามวันเจบวันหน้าวันวันเนี่ยแต่เราศึกษาอย่างนี้แล้วเราเอาเข้าไปใช้ปฏิบัติประจำวันเนี่ยมันเป็นการศึกษาธรรมทานหรือเปล่าเป็นการศึกษาแต่ว่าความชํานาญจะน้อย คือน้อยก็ตรงที่บอกว่าคนที่เขาจะสา ม, มารถได้เข้าใจได้ดีๆเนี่ยเขาเขาเขาไข้ควรเป็นวันเป็นคืนเลยทีนี้นี่ก็การที่เราไปเกี่ยวข้องผู้คนไงมันใจมันจะหลุดเดยอะไงยมันก็ได้สังเกตได้นิดๆหน่อยๆเห็นบ้างเข้าใจบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ในส่วนจริงมันก็อยู่อย่างเงี้ยนะแต่ถ้าคนที่เขาศึกษาแล้วก็ใไข้ควรตลอดแล้วก็ประชุมลงในความเข้าใจทุกครั้ง ทุกครั้งประชมลงเขาในความเข้าใจทุกครั้งตรึกตรองใคร่ควรอยู่ตลอดตัวจนเกิดความชํานาญอย่างต่อเนื่องมันเหมือนว่าเมื่อเราชํานาญเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยอย่างทุกวันเนี่ยถ้าบอกว่าให้เราอ่านหนังสือเราเห็นเมื่อะไรก็อ่านได้อันนี้แปลว่าชํานาญแล้วกว่อนจะชา น, ชนาญเนี่ยเราใช้เวลาเยอะมากเพียรมาเยอะมากมาใช่ไหมเห็น<า>ไหมกรณีอย่างเนี้ย แค่เราจะแค่จะเขียนหนังสือได้เนี่ยเราลองไปคิดย้อนหลังดูทีกว่าจะจบปริญญากันเนี่ยเราคิดย้อนหลังเลเราใช้เวลาเขียนกันเท่าไหร่เ<ซ>ข้าใจใช่ไห ม, ไม น, นี่ปริมาณทางโลกยังต้องใช้ขนาดนั้นนี่ปริมาณทางธรรมเนี่ยเราจะมาฟังแป๊บฟังเนี่ยถูกเข้าใจแต่ว่าการใครครวรต้องต้องมากกว่าการเรียนในสองเท่าต้องมากกว่าการนี้นี่ย ทีนี้คนคนืออย่างนี้ที่ที่พูดอย่างนี้เพพูดคนยุคนี้นะถ้าในยุคสมัยโบราณสมัยพระเจ้านี่บรรูุกันรุกกนมรำรุมํานะฟังแล้วบรรลุเดียวนั้นเลยเพราะอะไรเพ ร, ะเพราะบุญเพราะปัญญาเพราะความฉลาดในสมัยอาตมาบรรยายบอกว่ายกสูตรขึ้นมานี่นะ พอยกสูตรขึ้นมามาแสดงแสดงเป็นไปตามลำดับเลยบอกว่าข่าแต่พระองค์ผู้นิรุกภิกษุปฏิบัติอย่างไรจรึงชื่อว่าดําเนินเออขอ้าไปบอกว่าถ้าบอกว่าบอกว่าดําดเนินอย่างไรดําเนินปฏิปทานสมควรด้วยการดับไสัญญาประกอบไปด้วยบาปันจะทำกล่าวคือตัณหาบอกภิกษุจะทํำยังไงถึงจะดับตัณหาเป็นต้นได้ พระเจ้าก็บอกดูก่อนสกาจอมเทพอัตมาภาพกล่าวว่าสมนัตแยกออกเป็นสองประการที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีธรรมนัตก็แยกเป็นสองประการคือที่ควรเสพก็มีไม่ควรเสพก็มีอุเบกขาก็แยกเป็นสองประการก็คือที่ควรเสพก็มีทีกไม่ควรเสพก็มีดูก่อนจอมเทพตถาคตกล่าวว่าสมนัติแยกออกเป็นสองประการที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวในสมนัสองอย่างนั้นบุคคลพึง ทราบสมนัตอันใดที่เราพึงเสพสมนัตนั้นอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมสมนัติเถียงปานนั้นไม่ควรเสพบุคคลควรทราบอันใดบอกว่าเมื่อเราเสพสมนัตอันนี้แล้วอกุศลธรรมเสื่อมกุศลธรรมเจริญขึ้นสมนัตนั้นพึงเสพในสมนัสองอย่างนั้นถ้าสมนัตอันใดมีวิตกมีวิจารอันใดไม่มีวิตกอันใดไม่มีวิจารทั้งสองอย่างนั้นสมนัตที่มีวิตกไม่มีวิจารประณีตดูก่อนจอมเทพ อัตมาภาพกล่าวสมณพนธ์ดโดแจกเป็นสองประการคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีที่กล่าวสมณพนธ ด, ดังนี้กล่าวพ่อสาเหตุนี้ข้อนี้พอแสดงอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาเข้าใจทันดีเลยเขาแยกได้ชัดเจนเลยว่าโอ้สมณพนที่ควรเสพและไม่ควรเสพสมณพนที่เกี่ยวข้องกับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเสร็จแล้วเป็นเหตุเป็นปจัจจัยให้บาปอกติศรัทธามันลามมกมันไหลเข้าสู่กระแสจิตแตน่ยสมณันนั้นไม่ควรเสพ ก็แปลว่าเขาจะตั้งโยนแต่สมนัสอันใดก็แล้วแต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วทั้งๆที่ยังเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายใจเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทำมารมอยู่อย่างเงี้ยอกุศลธรรมมันค่อยๆเสื่อมลงเสื่อมลงแต่กุศลธรรมมันเดินขึ้นเดินขึ้นเดินขึ้นสมนัสนี่ควรเสพเขาเดินได้ทันทีเขาเข้าใจทันทีเขาใอย่างเข้าไปตรึกไปไข้ควรแล้วก็ตื่นเต้นมากเขาฟังแค่เนี้ยไม่ใช่ฟังน้อยๆเออเข้าใจเอเข้าใจไม่ใช่เงี้ยนะเขาตั้งใจฟัง แล้วฟังแล้วก็จําได้เลยแต่เนี้ยรอบเดียวเนี้ยจําได้เลยไม่ต้องทวนให้ท่านทวนเองให้โยงฟังรอพี่ไม่มีเลยวเวลาฟังาจารย์พูดอย่างเงี้เหมือนเหมือนมีความเข้าใจนะฟังก็เหมือนเข้าใจนะถ้าฟังแล้วเหมือนเข้าใจแล้วท่านท่านก็ไปก็เพราะราราาคือค<ๆ>ือปัญหาคืออย่างนี้พอฟังตรงนี้เบสเสร็จจบปุ๊บเนี่ยพอมันปิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยสัญญามันจบความเข้าใจมันก็ค่อยหายไป นัเข้านัเข้าเราก็ไปมีเรื่องอื่นเป็นอารามนาที่พอดีแล้วใช่ไหมพูดให้ชัดอะไรซึ้เลปริโพเทเราเยอะเข้าใจคําว่าครับแคบหรือยังเ่ยคารวาสเนี่ยครับแคบใช่ไหมเป็นทางเดินแห่งธุรีเข้าใจไหมเป็นทางเดินแห่งบาปอกุศลธรรมลาโม เป็นไปกับบาปอกุศลเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมที่จะเพียรพยายามขัดให้มบริสุทธิ์ประดุดังหอยสังทําได้ยากถ้ากะไรเราคงจะปองผมปองหนวดนุ่งหผงผ้ากาสายะออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนดีกว่าไม่เกี่ยวข้องในรืูดเสียงกินรสจัผัดดีกว่าตัดวงจรเลยว่างั้นนะก็เดินออกอย่างเงี้ยเข้าใจอย่างแต่เนี้ยนี่ไหม ทีนี้ถ้าเราไม่ไม่น้อมอย่างนั้นจริงๆนี่นะยากทีนี้สมมุติอัตรมารออกมาใจใจเขาอาจมาไปเกี่ยวพ่องด้วยเรือนอัตราออกแต่กายใจใจไม่ออกตัดยากอีก น, นะเอาสิแต่เนี้ยเอามันท้าทายเนะี่ยคุณปองผมและนวดออกมาแล้วนุ่งผมบ้างอาศัยยาเนี่ยถามว่าคุณประกาศคุณคุณประกาศบอกเขาแล้วเนี่ยว่าเราเนี่ยจะตัด เครื่องผูกพันเหล่านี้คุณทําได้ไหมทําได้ไหมล่ะถ้าทําได้จริงๆต้องไม่อะไรอวรนีใช่ไหมต้องตัดวงจรในใจได้จริงๆเนี่ยแล้วก็ต้องน้อมในการที่จะขัดเกลาเดินตามคําสอนพระเจ้าไม่บิดเบือนคําสอนนี่ต้องน้อมแล้วก็ต้องมีต้องจิใตใจเราเองเนี่ยต้องมุ่งมัน่นเจอปัญหาเจออุปสรรค ต, ต, ต, ต, ต, ต่างๆต้องไม่รอดลอยต้องเดินใช่ไหมเข้าใจใช่ไหม มันจะต้องเพียรพยายามไปในร่างเะนียนถ้าไปบอกโอ้ใจ ย, ยังอะไรอวบ ต, ต้องสังสมแทบทุกวันเลยต้องต้องสสมเอางี้ทุกนาทีไม่ใช่ทุกวันทุกนาทีแต่ <c oughs> ทุกวันเนะี่ย <c oughs> ประมาท <c oughs> ปัญหาไม่ใช่ <c oughs> ปัญหาจริงๆก็คือเขาเรียนนั่นแหละ ก็คือเขาฟังเขาเรียนนั่นเองถ้าไม่เรียนไม่ฟังเนี่จบจไอ้ที่ไปคิดเองยิ่งไปกว่าระมูลเลยตอนเนี้ยอ่านไม่ได้เธอก็ฟังอ่านไม่ได้แล้วปฏิบัติคือบางทีเนี่ยนะมันต้องไปดูให้ลึกกว่า น, นั้นด้วยนะบางคนเนี่ยแค่เป็นคนดีไม่ยากเลยที่ดูดีในสายตาของเราเนี่ยเลย ถ้าไปเจาะเอาคําสอนไปเทียบปุ๊บปุ๊บ๊บ ป, บปบเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็เป๋มันเป็นอย่างนี้ยู่น่มานี่ช่วยชีวิตมานี่ยสามสิบปีแล้วนี่ผ่านมาเยอะหาอาจารย์มานี่เยอะไม่ใช่ไปปิดแก้งนั่นเนี่คือถ้าโดยการสงบสงี่ยมโดยการนี่เรียบร้อยโดยการที่พูดจามีหลักมีฐานมีเหตุมีผลเนี่ยหาไม่ยากแต่ถ้าได้เหตุปัจจัยแล้วมันไม่โกรธ ได้เหตุปัจจัยแล้วสามารถละอะไรได้จริงๆหรือเข้าใจคําสอนได้อย่างลึกซึ้งจริงๆอันนี้ยากฐานยากแต่เอาละถ้าเขาสงบบาปประกรรมทางกายทางวาจายได้บ้างก็เทีอมองดูเนี่ยนะก็ถือว่าก็ถือไหมอา่าก็ยังถือว่ากา ย, ยสุจริตไกลา ย, ย, ย, ยว่าจิสุจริตรเขายังได้มนโนสุจริตได้เนี่ยนะแต่ถามสติปัฏฐานถูกไหม มันคนละมุมเลยนะแต่นี่นะสติปักายสุจริตได้วเวจีสุจริตได้มโนสุจริตเริ่มได้นะแต่สติปัฏฐานเดินถูกไหมคนละมุมเลยยศมันคนละมุมอย่าไปอย่าไปเหมาคนว่าได้สุจริตสามแลสติปัฏฐานจะถูกเสมอไปไม่แน่ทั้งทั้ ง, งไม่แน่เลยบางคนจะไปเจาะลึกๆเนี่ยต้องให้ผู้รู้เขาอะผู้รู้จริงๆนะไปสอบถามนั่งคุยกันนะอ่า พู้รู้มีพานิยาทั้งหลายพุทธเจ้าเป็นต้นแล้วก็มีคำสอนพระเจ้าเนี่ยถ้าต้องการจะตรวจสอบนี่ก็ไปดูเอาฉะวิโสธนาสูตรไปดูที่อวอกใช่ไหมไปเทียบอา้าวพุทธเจ้าบอกพราพระพุทธเจ้าจะบอกตำราไว้หมดเละตำราดูคนบรรลุก็ได้จะดูคนปฏิบัติจริงไม่จริงกันนะใช่ไมเราไม่ได้บะไม่ใช่ว่าไปเห็น ไ, ไปทำนายเขายุ่งเลยเนี่ย ถ้างั้นเยุมงหรือเสียของเลยอย่างเงี้ยฉะนั้นตรงเนี้ยนะเราเราให้สังเกดตดูว่าบางครั้งเนี่ยเราจะไปมองไม่ต้องอะไรนะนางเวเทหิกาไอ้นางอะไรนะนางกาลีอ่ะเขไปนางกาลีที่เป็นคนใช้ของนางเวเทฮิกานางเวเทฮิกานี่เป็นนวลเรียบร้อยเห็นเป็นหญิงอาเป็นหญิงเรียบร้อยเป็นนายบ้านเป็นเจ้าของบ้านคนใช้ก็ใครใครก็กระเรือนทั่วกรุงละจุด ว่านางนี่เป็นคนสงบเสงเียมเจียมเนื้อเจียมตัวไม่เป็นคนมีสุจริตสามตรงนี้คนใช้ก็เอะใจขึ้นมาเอ๊จะจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าเราจะลองทดลองนายของเราหนึ่งเนี่ยนะจะเป็นเพราะเหตุว่าเพราะเรานี่เป็นขยันการทําการงานหรือไม่เพราะต่อมานางกาลีก็เลยแก้งนอนตื่นสายจากการที่ตื่นเจ็ดเช้าแล้วตื่นเจ็ดโมงเลยเนี่ยนะโอ้โหตอนนี้เสียงเริ่มดังแล้ว แต่นี้แปลกแ ป, แปขึ้นมานางกาลีวันนี้ทําไมเองถึงทําไมทังนอนตื่นสายเหอเห็นไหมเนี่ยจากสเสดจริตสงบสงเงียมคนบูชากันทั้งเมืองเนี่ยนางก็เริ่มคิดเออนายหญิงของเรานี่ที่เขาเขาว่าเป็นคนดีสงบสงี่ยมไม่จริงเลยโอ้ที่สงบสงเงียมเพราะเราทําการงานดี น, นั่นเองเอจองจะทดลองดูไนะ อ, อโทรสาพท์ของนางมีจะจะมากกว่านี้ไหมหรือว่ามีแค่นี้เห็นไหมก็ แปดโมงเลยด้วยไม่ใช่เจ็ดโมงแล้วแปดโมงเลยแต่นี่อะไม่ใช่นางกาลีอีกาลีอะไรเล ย, ยของขออกมาเลยนะออกมาเลยเดี๋ยวนี้เห็นไหมเข้าใจยังนี่เราไม่ได้พิโซที่เราไปเห็นสงบส ง, งี่ยมในยมเมื่อกลางที่สามเลยนะเอ๊ออันนี้หัวเสียงแผลก็มาคิ้วขมวดเลยมีกระทืบเท้าเลยแล้วก็เหมือนโอ้ที่เขาลือกันว่าสงบสงี่ยมไม่จริงเออยากจะรู้ว่านางมีแค่นี้หรือมากกว่านี้ ก็9โมงเช้าเลยตื่น9โมงเช้าโอ้โด่าไม่พอถอดสลักประตูกว้างหัวแตกเลยนี่นางก็เลยไปชี้ให้คนเขาดูนี่ไงคนสงบเสงี่ยมที่เขาลือกันทั้งเมืองอย่าไปคิดจะสงบเสงี่ยมพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยพิษสูทั้งหลายที่เธอสงบเสงี่ยมเนี่ยเพราะได้อาหารดีเพราะได้กิวอนดีเพราะได้ที่อยู่ดีเพราะได้ยารักษาโรคดี ไม่กระเสแต่เมื่อได้ของไม่ดีหรือดีต่างๆเธอก็มีไม่มีหน้ายิ้หน้าเสี้ยวคิ้วขมุดไม่ไม่กล่าวาจาด้วยโทรศพูดเนือไม่ไม่พูดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นต้นพูดตุกาละเป็นต้นไม่พูดด้วยโทรศัพแต่พูดด้วยด้วเยเมตตาอย่างนี้ถ้าอย่างนี้สิใช่ถึงจะเจอเหตุการณ์ทุกเกียนตายขนาดไหนเจอเหตุการณ์โดนประทุษร้ายมันดูเหมือนภาษารังกฤษนี เดินวินาศบาดเบเสร็จคนเดินไปข้างหลังทบหลังเต็มที่ะชกเต็มที่เลยเนะียท่านก็เดินเฉยชาวบ้านจะพากันโกรธจะไปประทุษรายคนที่ตีภาษาที่บุตรก็หยุดแล้วก็หันบอกชาบ้านบอกว่าทําอะไรกันจะบอกอา้าท่านผู้นี้กำลังจะประหารพระเถระบอกอา้าเขาทําท่านลือเห็นไหมเขาทําท่านลือฉะนั้นจะไปก็ตัว ตัวอาตมาเองยังไม่เดือดร้อนทำไมท่านเดือดร้อนทำไมล่ะนี่ไงอย่างนี้ใช่ถ้าอย่างนี้นักปฏิบัติต้องอย่างนี้ย่มต้องดูอย่างนี้คือคือตรงนี้ก็ต้องก็อย่างที่บอกว่านี่นะบอกว่าในการศึกษาคําสอนตรงนี้ถ้าเราเริ่มเข้าใจคําสอนเบื้องต้นการที่เราสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็สามารถนําไปใคร่ควรพิจารณาได้อย่างถอ่องแท้เนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นเมื่อตรงเนี้ย ก็กล่าวถึงในเรื่องของเวทนาเนี่ยองดูในคำสอนจะเห็นชัด